ในพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้มีข้อสังเกตที่โยงไปสู่ความรู้เข้าใจหลักธรรมใหญ่ที่สำคัญมากเช่นข้อก่อคุณบทคือคำแสดงพระคุณหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าเป็นภาวติตร์คือผู้ได้พัฒนาตนแล้วจบการฝึกอบรมตนแล้วเมื่อกระจายความหมายออกไปเป็นภาวิตากายมีกายที่พัฒนาแล้ว ภาวิตาศีลมีศีลที่พัฒนาแล้วภาวิตาจิตมีจิตที่พัฒนาแล้วและภาวิตาปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วก็โยงหรือบ่งถึงหลักธรรมชุดภาวนาสีอันได้แก่กายภาวนาการพัฒนากายศีลภาวนาการพัฒนาศีลจิตภาวนาการพัฒนาจิตและปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญาขอทำความเข้าใจว่าที่พูดนี้เป็นเรื่องของหลักภาษาบาลีคือภาวิตะเป็นคุณศัพท์หรือคำวิเศษแสดงคุณสมบัติของบุคคลส่วนภาวนาเป็นคำนามบอกถึงการกระทาหลักหรือข้อปฏิบัติจึงได้ความสอดคล้องกันว่าภาวิตะก็คือผู้ที่ได้ทำภาวนาแล้ว และดังนั้นภาวิตากายก็คือผู้ที่ได้ทํากายะภาวนาแล้วภาวิตาศีลคือผู้ที่ได้ทําศีลภาวนาแล้วภาวิตาจิตก็คือผู้ที่ได้ทําจิตตภาวนาแล้วและภาวิตาปัญญาคือผู้ที่ได้ทําปัญญาภาวนาแล้วนี่ก็เท่ากับบอกว่าพระอรหันต์คือท่านผู้ได้ทําภาวนาสีเสร็จแล้วคือจบทั้งกายะภาวนาศีลภาวนา จิตภาวนาและปัญญาภาวนาถึงตอนนี้ก็จึงต้องรู้ว่าภาวนาสีนั้นคืออะไรขอแสดงความหมายไว้สั้นๆดังนี้ 1. กายภาวนาการเจริญกายหรือพัฒนากายคือพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพรวมทั้งเทคโนโลยี โดยเฉพาะรับรู้สิ่งทั้งหลายทางอินสียห5คือรับรู้สิ่งทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยดีโดยปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษให้กุปสธรรมงอกงามให้อากุศลธรรมเสื่อมสอูญสศีลภาวนาการเจริญศีลหรือพัฒนาศีลคือพัฒนาความประพฤติพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม โดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลกัน 3. จิตตภาวนาการเจริญจิตหรือพัฒนาจิตคือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ ง, งอกงามด้วยคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณามีฉันทะขยันหมั่นเพียรอดทน มีสมาธิและสดชื่นเบิกบานเป็นสุขผ่องใสเป็นต้น 4. ปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาหรือพัฒนาปัญญาคือฝึกอบรมพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามจนเกิดความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงโดยรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถทาจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์มีชีวิตเป็นอยู่แก้ไขปัญหาและทําการทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้ถึงเหตุปัจจัยเมื่อรู้ความหมายของหลักธรรมคือภาวนาที่เป็นเนื้อตัวของการปฏิบัติทั้งสแล้วก็เข้าใจภาวิตะหรือภาวิทที่เป็นคุณสมบัติของท่านผู้จบการปฏิบัติผู้มีธรรมทั้งสข้อนั้นแล้วดังนี้หนึ่ง พาวิตกายผู้ได้เจริญกายหรือมีกายที่พัฒนาแล้วคือได้ฝึกอบรมพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพโดยรู้จักอยู่ดีมีสุขอย่างเกื้อกูลกันกับสิ่งศักด์และธรรมชาติโดยเฉพาะให้การรับรู้ทางอินสีห้าเช่นดูฟังเป็นไปด้วยสติและเพื่อปัญญาและให้การใช้สอยเสบบริโภคต่าง เป็นไปอย่างพอดีที่จะได้คุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์จริงไม่ลหลงไหลเตลิดเพลิดไปตามอิทธิพลของความชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ให้เกิดโทษแต่ให้เป็นคุณไม่ให้ถูกบาปอากุศลครอบงำแต่หนุนให้กุศลธรรมงอกงาม 2. ภพาวิตะศีลผู้ได้เจริญศีล หรือมีศีลที่พัฒนาแล้วคือได้พัฒนาความประพฤติมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์ทางสังคมโดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีไม่ใช้กายวาจาและอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ใครๆแต่ใช้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของตนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม 3. ภาวิต จ, จิต ผู้ได้เจริญจิตหรือมีจิตใจที่พัฒนาแล้วคือได้ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้สดใสเบิกบานร่าเริงผ่องใสโปร่งโล่งเป็นสุขเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีน้ำใจเมตตากรุณาศรัทธากระตันยูกระตะเวทิตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทนสงบมั่นคงมีสติ มีสมาธิเป็นต้น 4. ภาวิตะปัญญาผู้ได้เจริญปัญญาหรือมีปัญญาที่พัฒนาแล้วคือได้ฝึกอบรมพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ปลดเปลื้องตนให้บริสุทธิ์ปลอดพ้นจากกิเลสมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา โดยมีจิตใจเป็นอิสระสุขเกษมไร้ทุกข์